วันนี้เป็นวันที่ห้าตุลาคมพุทธศัการาชสอง5ห้า้ห้าสิบห้าวันนี้เป็นวันประชุมเป็นกรณีพิเศษที่ผ่านานมาเราประชุมกันทุกวันพระแปดคำ่ำสิบห้าค่ำมีการประชุมในระหว่างแปดคำ่ำสิบห้าค่ำเป็นกรณีพิเศษอย่างวันนี้ ปีนี้รู้สึกว่าไม่กี่ครั้งเพราะกิจธุระภาระของผมอย่างพวกหมูพวกเพื่อนได้เห็นแต่ผมเองก็มั่นใจแต่แนะนำหมูพวกเพื่อนว่าให้หมูพวกเพื่อนฟังศึกษาพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาเวลากลางคืนตั้งแต่สองทุ่มถึงตีห้า ผมมั่นใจถ้าว่าหมูพวกเพื่อนมีความใส่ใจสนใจในเรื่องจิตตภาวนาหรือเรื่องภาคปฏิบัติแล้วผมมั่นใจว่าพวกหมูจะได้แนวทางในการศึกษาเว้นเสียแต่พวกเราท่านทั้งหลายมาอยู่แบบไม่มีจุดหมายปลายทางไปอยู่นสถานที่ใด ถึงจะเป็นแหล่งความรู้แต่พวกเราไม่ได้สนใจอันนั้นก็ช่วยไม่ได้เพราะเหตุใดพราะไม่อยู่กับตัวเองถ้าว่าตัวของเรามีความใ่ในการศึกษาใ่หาความรู้ก็ผมมั่นใจว่าที่ผมแนะนำไปนั้นไม่ผิดเพราะว่า ผมก็ได้ศึกษามาอย่างนั้นเหมือนกันมันจะผิดที่ตรงไหนแล้วก็ผมก็เมื่อได้ศึกษาหรือได้ฟังมาจุดนั้นแล้วเป็นความรู้เรื่องความประสบการณ์หรือมีประสบการณ์สำหรับของผมผมเพียงแต่ต่อเติมที่พวกท่านทั้งหลายอาจจะอยากจะรู้อย่างผมได้รู้ได้เห็น ผมก็พยายามนําประสบการณ์หรือแนวความคิดของผมที่ได้ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่วนหนึ่งแล้วแต่ตัวเองก็มีประสบการณ์ออกจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่คิดว่าไม่ผิดเพียงปิดย่อยเท่านั้นเองแล้วก็นํามาบอกกล่าวให้แก่หมู่พวกเพื่อนผู้เข้ามาศึกษา ผู้เข้ามาใหม่ควรจะได้ยินได้ฟังหลากหลายและกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเก็บเล็กเก็บน้อยเกี่ยวกับกฎระเบียบละวินยัยส่วนธรรมะที่ลึกซึ้งนั้นก็เหมือนกันที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราให้พวกเราพยายามเดินตามแนวแถวนั้นนั่นละ เป็นหนทางที่ถูกต้องแล้วส่วนเลือกหลักพระธรรมวินัยแล้วกฎและเบียบการเป็นอยู่อันนั้นเป็นพวกเราจะต้องดูแลจะต้องทำให้ถูกต้องเพราะความผาสุก ข, ของหมู่คณะความผาสุก ข, ของคณะสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันถ้าว่าพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันมาก ถึง42องค์ขนาดนี้ต่างคนต่างออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางไม่อยู่ในกฎไม่อยู่ในระเบียบที่ผมแนะนำสั่งสอนหรืผมบอกกล่าวพวกเราก็คงจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ในการอยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะเพราะนั้นผมเองผมก็มั่นใจที่ผมได้บอกกล่าว ที่พระที่มีอายุพรรษาที่อยู่กับมัดของเราก็นมนานแต่ก็พร้อมที่จะแนะนำพวกน้องๆที่เข้ามาศึกษาใหม่เป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างที่ดีของพวกน้องๆได้เพราะว่าพวกเราท่านทั้งหลายทั้งใหม่ทั้งเก่าก่อนล่นแล้วจะเป็นผู้มีอายุด้วยกันมีอายุทั้งโลกโด้วยกัน รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควรจริงเหมาะสมไม่เหมาะสมเพราะพวกเราได้ผ่านทางโลกมานานในเมื่อเรารู้สมัยเราเป็นพราวาสมาก่อนเราก็ได้เรียนรู้ว่าท่าว่าเป็นพระปฏิบัติตนอย่างไรที่เป็นพระทินหน้าเคารพนับถือเลื่อมใสพวกเราคนนึกในใจไว้อยู่เสมอว่าพระอย่างไง บาาจารย์ยงไงที่พวกเราให้ความครบนับถือเรื่มใสถึงจะเป็นพระน้อยพรนุมพระในวัดของท่านก็เะแต่ปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเป็นพระที่น่าเคารพนับถือเรื่มใสพวกท่านทั้งหลายอยู่ในใจของพวกท่านเพราะนั้นพวกท่านเข้ามาบวชแล้วพวกท่านจะเป็นผู้ทําตัวเลอะเทอะเทอะไม่อยู่ในกฎไม่อยู่ในระเบียบอย่างนั้นมันถูกต้องไหม เป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายจะต้องได้คิดนี้ผมบอดผมเพียงแต่สอนแนวทางบอกกล่าวให้แก่หมู่พวกเพื่อนเพราะต่างองค์ก็ต่างได้รับการศึกษามาด้วยดีมาพอด้วยดีมาพอสมควรแล้วถึงจะไม่ได้เลิดเลอทางโลกแต่ก็รู้แนวทางรู้แนวทางแห่งการดำเนินชีวิต เพราะนั้นเพื่อเขามาบวชเป็นพระสงฆ์พวกท่านทั้งหลายปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่ผมได้แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวก็เป็นที่เข้าใจแล้วเพราะพร ะ, พระหมู่พกเพื่อนบางองค์ก็มาอยู่กับผมนานหลายปีแล้วก็พร้อมที่จะเป็นหลักให้แก่พวกน้องๆ ที่เข้ามาเพื่อการศึกษาเพื่อการประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็คือผมมั่นใจอย่างนั้นแต่ถ้าว่าพวกผู้ที่เข้ามาอยู่เก่าก็หากฎเกณฑ์ไม่ได้พาพวกน้องๆไม่เคารพกฎรละเบียบไม่มีหลักพระธรรมวินัยเสียเองผมก็น่าถ้าผมผู้เป็นหัวหน้า ผมได้รับทราบอย่างนั้นผมก็จะรู้สึกเสียใจเหมือนกันเพราะว่าตั้งอกตั้งใจแนะนําสั่งสอนหมู่พกเพื่อนให้เป็นผู้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยนี่ขาขอให้ฝากไว้กับทุกองเหมือนคําพูดนี้แล้วว่าการกระทําอย่างนี้หรือว่าการพูดการคิดคิดการทำอย่างนี้ใช่ให้เหมือนให้ถือเสมือนว่าคือรักษาความเค็มชั้นใด ให้พวกท่านยึดถือแนวปฏิบัติคุณงามความดีฉันนั้นอย่าได้ลดละเพราะพวกท่านทั้งหลายเป็นสากะยะบุตรพุทธชินนรสสากะยะบุตรคือเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นการที่จะกระทําสิ่งไหนพูกอย่างไรคิดอย่างไรพวกเราต้องคิดไข้ ค, ควรทบทวน ให้ดีที่สุดเซะก่อนยังค่อยทำให้ซ้อรวมกายวาจาใจของตนเองนั่นล่ละถึงจะเป็นพระที่ดีได้พระในครั้งพุทธในครั้งพุทธการมีพระอยู่ห้ารูปอยู่ด้วยกันก็นั่งสนทนากันคนหนึ่งก็บอกว่าผมซํารวมตา องหนึ่งว่าผมสํารวมหูองหนึ่งผมสํารวมจมูกผมองหนึ่งผมสํารวมลิ้นสํารวมกายสํารวมใจต่างคนก็ต่างสํารวมของใครของเราแต่ต่างองค์ก็ต่างว่าตาหูจมูกลิ้นแต่ละตัวเองสํารวมนั่นแหะเลิศประเสริฐกว่าในเพราะตาถ้ามองเห็นรูปแล้ว ถ้าไม่สัมวมจะเป็นยังไงองค์ที่หูน่เอา้าถ้าหูได้ยินเสียงเข้ามาแล้วเฉิชิ้นเดินทาเสียงยกจองจรสรรเสริญทำใจให้ตัวเองไม่ให้ฟูแล้วจะเป็นยังไงสรุปแล้วก็คือต่างองค์ก็ต่างว่าการสำรวหรือว่าสัมรวมตาหูจมกูกแต่ละท่านเป็นของทําได้ยากมากแต่องค์ไหนที่จะถูก ในการสํารวมแต่ละอย่างนี้เยพระสงฆ์ทั้งหลายก็เข้าไปกราบพระพุทธเจา้าขอให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้วินิจฉัยว่าการสัารวมตัวไหนที่ถูกต้องที่สุดแล้ใหเข้าไปกราบพระพุทธองค์ทั้งที่พระพุทธองค์ท่านจะตรัสออกมาเป็นเป็นอันๆไปพระพุทธองค์กลับพูดว่าการสํารวมกาย การจับรวงตาหูจมูกเลี้ยงกายเป็นการจํารวมแต่ยากพวกท่านทั้งหลายในอดีตชาติเราบอกแล้วให้ทัารวมทวารทั้งหกพวกท่านขาดการจํารวมในชาตินั้นพวกท่านเป็นเป็นอาหารของยักษกินีในในชาตินั้นอันนี้พระสงฆ์ ทั้งหลายก็กราบทูนพระพุทธเจ้าว่าสมัยนั้นเป็นสมัยไหนพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ตรัสว่าเราเป็นลูกชายของพระเจ้ากรุงพระนรสีพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าท้าประเจกพุทธเจ้ามาฉันในเวียงวางทุกวันแต่เราก็ถามท้าประเจกพุทธเจ้าว่าแต่เราเป็นผู้ปนนิบัต ปุพพากปพุท์พระปฏิเจตโพธเจ้าเป็นผู้ใกล้ชิดพระปฏิเจตโพธิเจ้ากว่าทุกองในบรรดาพี่ๆทั้งหลายเราเป็นน้องสุดท้ายของบรรดาลูกทั้งหมดเก้าสบเกคนไปถามพระปฏิเจตโพธเจ้าว่าข้าพระองค์จะได้เป็นมหากษัตริย์หจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินไหมพระเจ้าค่ะคือกระชิดถามพระปฏิเจต พระพเจคท่านก็รู้อยู่นะท่านมีญานาทศนะพระพเจคพุทธเจ้าสันตราวาไม่ไม่ได้เป็นพี่น้องมีเยอะไม่ได้เป็นท่านอื่นเป็นแต่ว่าถ้าหากว่าเธอเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจให้ดีเอาเถอะเมืองตะกัตศิลายัางว่างพระเจ้าแผ่นดินอยู่ขณะนี้เขากำลังจะเสี่ยงทาย หาพระเจ้าแผ่นดินถ้าว่าเธออส้ารวมกายวาจาใจด้วยความมุ่งมั่นไปเถอะจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินภายในเจ็ดวันต้องเดินใะห้ถึงเจ็ดวันนะเขาจะเสียงทายวันที่นั่นแนหะจากนี้ไปเจ็ดวันแต่ต้องสํารวมกายวาจาใจให้ดีนะ พอตามลายทางมีรากสดแล้วก็ยักกินีแปลงจำแงแปลงกายเสร็จสวยงดงามเหมือนกระนางฟ้าเธอต้องดูให้ดีถ้าถ้าว่าเธอไม่สำรวมแล้วนั่น ะ, ะเธอจะเป็นอาหารของรากสนทรักยักกินีแน่นอนถ้าเธอมีความมั่นใจไปได้ ถ้าคือไม่มั่นใจเจ็บใจไม่เข้มแข็งอย่าอันนี้คือพระประเจตท่านบอกแต่กุมมานท่านนั้นท่านก็บอกครับผมผมจะเป็นผู้สำรวมให้ดีที่สุดจากนั้นก็ใส่จัดการใส่กับเป๋าหนังขึ้นบนหลังแล้วก็พร้อมที่จะเดินพอเดินผ่านลงไปในสนาม พระราชสำนักมหาดเล็กทั้งหลายกขาก็มองเห็นเ้าเอ า, เอาพระกุมารจะไปไหนไปเมืองตะกัชิลาผมขอไปด้วยอยา่าไม่ให้ไปอย่าไปเพราะทหารทั้งห้าเนี่ยเป็นนายทหารใหญ่ทหารรักษาพระองค์พระกุมารผมขอไปเถอะอย่าไปเลยพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายคงไม่เขมเข้มแข็งพอ ทำให้เข้มแข็งพอพวกท่านจะเป็นอาหารของยักษกินีและเป็นอาหารของรากสดเพรพระเจ้พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นพอนั้นเราคิดว่าเราเข้มแข็งพอเพราะนั้นพวกท่านต่างหนายาไปกับข้าเถอะข้าจะไปคนเดียวผลที่สุดพวกทหารนายทหารทั้งห้าคนก็เอาทหารติดตัวไม่เป็นไรพวกข้าผมจะรักษาสัจจะให้ดีที่สุด จะนักออกเดินทางเอาชนชายทุกท่านทั้งหลายมีสัจจะอย่างนั้นก็ไม่ว่ากันเอาไปได้พวกท่านก็นเดิน่างพอเดินตามไปก็เห็นในลายทางเห็นพวกเขาขายอาหารขายน้ำเขาก็เชิญชวนดื่มน้ำพระโพธิสัตว์มองเดือไม่มองเลยมีแต่ก้มหน้าดุมดุมดุ ม, ดม คือเดินไปสู่จุดหมายปลายทางของตนเองจุดหมายปลายทางของเรานี่ยคืออะไรคือเมืองตะกัชิลาแต่พวกทหารทั้งหลายเนี่ยทั้งเดินด้วยมองหลังด้วยโอ้โหทําไมอมสาวสวยขนาดนี้แต่จริงๆแล้วคือลากสดกันยักกินีแหละเขาจําแลงแปลงตัวเพื่อจะหลอกกินมนุษย์คนนั้นก็เดินไปอีก เขาชักชวนอีกใหม่ๆก็เข้มแข็งพอต่อไปนานเขานานเขามันเหนื่อยล้าทั้งเหนื่อยทั้งล้าทั้งหิวทั้งด้วยหิวน้ำหิวอาหารด้วยผลลัพธ์สูก็เอาพอจิบหน่อยนึงก็วิ่งตามพอจะนด้เห็นเขาจับชวนอย่างเดียวขอให้ กุ ม, มารไปก่อนเถอะให้พระองค์ท่านไปก่อนเถอะพวกเราดื่มน้ำล้วจะรีบไปพลในสุดก็ละล้ำลาลักอพอติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพลในสุดกนรกนะพระโพริสัตก็เดินห่มไปตามลำพังแต่พวกบริวารนี่ก็เป็นอาหารของร่างสดและยักษกินีทั้งหมด เพราะว่าขาดการส้ารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมีจากพระโพธิสัตว์ไปถึงจุดหมายปลายทางจากนั้นก็ขึ้นไปนอนท่านศิลาอาจเขาก็แห่ราชรถมาท่านก็ได้ขึ้นไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเมืองตกะกัศลาเมื่อท่านได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วท่านก็มองดอูที่เราได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในครั้งนี้ พราะพระประเจดพุทธเจ้าให้คำแนะนำพยากรณ์เราเราฟังบันดิตนักปราชญ์ปราชญ์ทั้งหลายบันดิตคือพระพเจดพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวเราจึงถึงจุดหมายปลายทางแต่บริวารของเรามีทหารมหาดเล็กของเราเป็นอาหารของรากสด และยักษ์คินีทั้งหมดเพราะไม่เห็นโผลมาเลยเพราะตามลายทางเราก็เห็นอยู่แล้วยักษ์คินีก็ตามหลังเรามาตลอดแต่งตัวเสเหมือนขบ น, นางฟ้าแต่เราไม่ได้สนใจเราจึงมาถึงจุดหมายปลายทางอันนี้พระพุทธองค์ท่านเปรียบเทียบท่านบอกว่าเนี่ยผู้ใดก็าตาม เป็นสมณะเป็นนักบวชผู้มาปฏิบัติธรรมถ้าไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเองแล้วเป็นอาหารของรากสดเป็นอาหารของยักษกินีทั้งหมดหการสำรงกายการสำรวมตาหูจมูกลิ้นเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขเป็นหนทางที่จะพ้นจากทุกข์ได้ วันนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายทั้งห้าองค์พวกท่านทั้งหลายทั้งห้ารูปสำรวมกายสำรวมตาหูจมูกเล่นกายใจทุกคนถูกทั้งหมดแต่ให้สำรวมทั้งหมดทั้งตาหูจมูกเล่นกายใจของตัวเองนั่นแหละจะเป็นผู้พ้นทุกในวัฏสงสารถึงแดนฟันธิพานได้นี่แหละอันนี้คือทำคําสอนของพระพุทธเจา้าถ้าเราพวกเรามาเปรียบเทียบ กับการประพฤติปฏิบัติของพวกเราให้พวกเราท่านทั้งหลายสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกลิ้นกายและกระใจของตอนเองพวกเราจะถึงจุดหมายปลายทางแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายไม่สำรวมปล่อยๆเล อ, เล อ, เล อ, เลอะๆเถอะๆแต่ละวีแต่ละวันแต่ละเวลาแล้วพวกเรามีแต่กิเลส ราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงเข้ามาเหยียบย่ำทําลายทางตาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราพวกเราอย่างหวังอย่าหวังเลยความสงบความสุขทุตสมาธิจะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่า น, านในเมื่อเราเข้ามาถึงจุดนี้แล้ว พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำสั่งสอนแล้วมีแต่ตัวของเราเท่านั้นเองเราจะเดินไปตรงตรงไหนอย่างไรเราพวกเราจะเข้มแข็งขนาดไหนที่จะเอาชนะใจของตนเองเอาชนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่มากระทบความนึกคิดความปรุงแต่งของใจ เราจะเข้มแข็งขนาดไหนถ้าเราอ่อนด้ยถ้าเราอ่อนอารมณ์ทางตาก็เห็นเข้ามาอารมณ์ทางหูเข้ามาอารมณ์ทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกายอารมณ์ความนึกคิดก็ยินดีในความนึกคิดปรุงแต่งของด้านจิตใจพวกท่านทั้งหลายนั่นแหละแปลว่ายักษกินีพยามาลเข้ามาในทวารทั้งห้าทั้งหก ของพวกท่านพระราขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอันนี้คือการเปรียบเทียบพวกเราคิดดูที่ว่าเป็นอันนี้คือเป็นรูปธรรมส่วนนามธรรมคือเป็นความนักคิดเป็นที่พวกเรารู้แก่ใจสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเองพวกเรามียังไงเป็นยังไงพวกเรารู้แก่ใจที่เข้ามาบวชทั้งใหม่ทั้งเก่าทั้งเก่าทั้งใหม่ สมุนจำมวนเก่าคิดยังไงและจำมวนพวกที่มาใหม่พวกเราทั้งหลายที่เขามาบวชมันเป็นยังไงอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องเข้มแข็งอย่างที่ผมพูดการทำความภาคความเพียรมันต้องมีหนักมีเบาอย่าเบาทีเดียวก็ไม่ได้แต่หนักทีเดียวก็ไม่ไหวแต่ตามไม่จริงหนักอย่างนั้นดีที่สุดพอรู้จักพรเบา คำว่าหนักนั่นคืออะไรก็คือรู้จักการเน้นในสูงจุดที่ควรจะเน้น<ม>แล้วก็คำว่าเบาคำนี้นะ่ะมันง่ายนิดเดียวถ้าขี้เกียจเข้ามาเมื่อไหร่ก็าเมื่อ น, นั่นแ่ะมันจะต้องเบาทันทีเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการขอททำความภาคเพียรเนี่ยต้องมีหนักมักก็คืออะไรอดนอนผ่ออาหารอดนอน เ้าก็นั่งภาวนาบังคับตัวเองนั่งกี่ชั่วโมงเดินจยงกลมกี่ชั่วโมงไม่ใช่ว่าอดอาหารอดให้หิวแล้วก็นอนปล่อยจิตปล่อยใจถึงจะอดนานเท่าไหร่กี่วันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าการอดก็ดีการทำความภาคเลียงก็ดีท่านให้ดูใจใหเห็นไหมจำวมใจ ว่าเราปล่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายกิเลส จ, จักรกิณีรากฉดเอาไปกินหมดมเราจะเหลืออะไรจะ่ถ้าว่าเรามีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจมีความใส่ใจสัมโรมกายวาจาของเราสัมโรมใจของเราคุณง่ายๆ ไม่ให้มันออกไปนอกรูนอกทางบังคับให้ใจหยุ่อยู่กับกรรมฐานไหนกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งกาหนดลมหายใจเข้าไปอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกําบังคับมาอยู่ในร่างกายบังคับห้อยู่ในร่างกายให้พิจารณาเรื่องอะไรพิจารณากระดูกเนี่ย หรือพิจารณาถึงอสุภะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นถ้าหากว่าพวกเราดูใช่ไหมอสุภะนั้นถ้าเราเป็นอย่างนั้นอีกสักวันหนึ่งเราจะเป็นอย่างนั้นไหมเรารับประกันได้ไหมเราว่าเราจะไม่เป็นอย่างนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือเราน้อมตัวของเราให้เป็นอสุภะอย่างนั้น จากนั้นก็ให้น้องดูดว่าร่างกายของเรเป็นอสุภะได้อย่างนั้นจากนั้นก็ทําใจดูใจของตนเองในเมื่อเราจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเราใจของเราจะมีความรู้สึกอย่างไรใจของเราจะเป็นยังไงถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นลักขณะที่เราออกจากสร้างออกจากจิตใจใจของเราออกจากร่างเราจะเป็นยังไงในจุดนั้น เสียงเหล่านี้ให้พวกเราเปรียบเทียบนอกเทียบในคิดถึงข้างนอกแล้วก็ย้อนเข้ามาหาตัวเองเมื่อถึงพิจารณาตัวเองก็ย้อนไปดูอสุภะปฏิกูในจุดนั้นนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมผู้ผู้ปฏิบัติต้องนึกดูย้อนดูกําหนดดูให้ใจของเรารู้ให้ใจของเรายอมรับ ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้มันเป็นอสุภะปฏิคูลจริงๆร่างกายของเราไม่ใช่สวรรค์วิบากมาจากไหนอีกสักวันหนึ่งเขาต้องเผาไฟทิ้งแน่ๆสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราพิจารณาดูให้ดีในเมื่อพิจารณาดูร่างกายของเราก็ร่างกายของเรานั่นแหละคือหินรับปัญญาแต่ว่าก่อนที่จะพิจารณาอย่างนั้น ผมก็เคยเน้นและก็เคยพูดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายประเด็นหลักก็คือสมาธิถ้าพวกเราใจใจเลื่อนลอยจิตใจเออละเหยลอยลมจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจปุงฟุ้งซ่านอยู่ตลอดและจะให้มาพิจารณาถึงอสุภะปฏิกูลและพิจารณาธรรมไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นไปได้เพราะนั้นเรื่องสมาธิเป็นเบื้องต้นเป็นสิ่งที่จาเป็นสาคัญอย่างยิ่งสาหรับพวกเรา สมาธิจะกำหนดตัวไหนกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหรือกำหนดตัวไหนขาขวาพุทธขาท้ายโถดจังกรมหรือเอาสติจับอยู่ในกายของเราหรือจะพิจารณาร่างกายของเราที่มันหยุดเนียงอยู่เนี้ยกำหนดดูหรือดูหัวใจที่มันเต้นตุบตบตึ บ, ตบดูการที่หัวใจเต้น หรือ ก, การสูบสีของเลือดในร่างกายให้มีสติหยุดจุดไหนอย่างไรจะรู้ว่าจะต้อให้สติอยู่กับกายในเห็นกายเห็นเรียบร้อยหรือพิาาจารณาแยกแยะกายหรือกำหนดกายให้อยู่ให้อยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งตัวลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหรือจะไม่บริกรรมหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออก ให้มีสติอยู่ที่ลมที่ลมหายใจเข้าออกนั้นไม่ให้จิตใจปงฟุง้งออกไปข้างนอก บ, บังคับนะบอกว่าบังคับเลยบังคับให้มันออกไปบังคับให้มันทางานบังคับให้มันอยู่ในเมื่อเราบังคับใหม่ๆมันก็ทุรนทุรายเหมือนกับปลาที่มันถูกเบ็ดมันยกขึ้นมาบนบกอย่างนั้นเออมันถูกสายร้อนถูกสายร้อนร้อนมือจะดิ่ง เออมันดิ่งสุดขีดของมันนี้ก็เหมือนกันใจของเราที่มันเคยปุงฟุ้งซ่านมาตลอดเมื่อเราจับเข้ามาให้มันอยู่นิ่งมันจะดิ่งอย่างนั้นดิ่งกับปลายกขึ้นมาบนบกอย่างนั้นแต่ถึงยังไงเราให้เชื่อพระพุทธเจา้าเชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าการที่ยกระดับจิต บังคับจิตให้อยู่ในความสง บ, บนั้นเป็นหนทางที่ถูกต้องตามแนวแถวที่พวกเราจะศึกษาที่พวกเราจะปฏิบัติบังคับให้มันอยู่ในเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายบังคับไปแล้วต่อไปผลแห่งการบังคับจิตให้ทำการทำงานดรวยควรแกการงานใจของเราอยู่นิ่งใจไม่กระเสือกกระส น, ไ ม, นไม่วุ่นไม่วาย ไม่กระสับกระส่ายไม่ปุงฟงซ่านใจอยู่ในกรอบใจอยู่ในหลักเหตุผลใจอยู่ในหลักคำคำสอนใจอยู่ในสมาธินั่นแหละความสุขจะเกิดขึ้นในจุดนั้นในเมื่อความสุขเราเห็นผลแห่งการปฏิบัติของเราในสมาธิเพียงแค่นี้เพียงแค่พวกเราบังคับให้ใจอยู่ผมเองก็มั่นใจว่าพวกท่านทั้งหลายเดินเข้าไปใน ในทางที่ที่ถูกต้องแล้วต่อไปพวกท่านจะเดินเดินเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆใจของพวกท่านทั้งหลายจะเข้าสู่ความสงบไปเรื่อยๆและเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบนำความสงบที่มันผ่านความสงบนั้นมาคิดมาพิจารณาทางด้านปัญญาหรื่าเดินวิปัสสนานึกคิดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นรูปปัสุภา ทีนี้เอามาพิจารณาขี้คายเลยใจของเราจะเป็นมันจะนิ่งมันจะเห็นตามความเป็นจริงเพราะมันผ่านความสงบมาแล้วแต่ถ้าว่าพวกเราจิตใจของเราไม่ได้ผ่านความสงบมันก็ดูกระดูไปอย่างนั้นดูเลื่อนๆลอยๆเพลิดเพลิจะเป็นของสวยงามเพลิเพลนจะเอาไปทำเอาไปทำเป็นอาหารเอ้กางหาั แต่ถ้าเราพิจารณาดูให้ดีแล้วนั่นแหละเราพิจารณาการกรองจิตใจมันจะปล่อยจะวางอยู่ที่ใจลึกๆมันจะยึดมั่นถือมั่นได้อย่างไรเพราะดูเห็นแล้วร่างกายเป็นอย่างนี้เป็นอสุภะอย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ร่างกายของมนุษย์เราจะไปกระเสือกกสมวุ่นวายไปด้วยเหตุอนนันใดนี่แหละถ้าว่าพวกเรา นั่งสมาธิจิตใจผ่านความสงบมาแล้วผมมั่นใจว่าพวกท่านจะเดินไปทางวิปัสสนานจะเห็นได้ชัดเพราะนั้นเรื่องสมาธิระวังการที่พวกเราบวชเข้ามาตั้งแต่ทีแรกให้พวกเราคิดดูเจตนาเจตนาที่เราเข้ามาบวช ามาเพื่อฝึกหัดดัดนิสัยเพื่อขัดเกลากิเลสเพื่อสำรวมกายวาจาเพื่อสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายในเมื่อพวกเราสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายอย่างที่ผมได้พูดเบื้องต้นจากนั้นท่านพวกเราท่านทั้งหลายก็พยายามเร่งความภาคเพียนมีหนักมีเบาอย่างที่ผมได้พูดคุกเวลาไหนควรจะนักเวลาไหนควรจะเบา เวลาไหนควรอดเวลาไหนควรผ่อนอดนอนผ่อนอาหารทดลองในที่การ อ, อ, อดอาหารกี่วันแล้วไม่ใช่ออดเฉยๆขณะที่อดน่ะสมาธิของเราดีไหมบังคับใจให้อยู่ในสมาธิตลอดทั้งวันไม่ให้มันคิดปุ่งฟุ้งไปที่ไหน บ, บับงคับบังคับให้มันอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเดิ น, นกงนั่มนั่งสมาธิหรือจะนอนก็เถอะ บังคับใจให้ตัวเองอยู่กับตัวเองในขณะที่นัง่งในขณะที่อดอาหารห้ามพูดห้ามคุยหมู่พกเพื่อนหยุดไว้ก่อนอย่าไปคุบอย่าไปพูดจะไปคุยอย่าไปสนทนากับใคยถ้าไปเห็นคู่คนและไปหาคู่ขนไปหาหมู่พเพื่อนนั่นแหละทางออกของกิเลสกิเลสมันจะออกไปทางนั้นโปที่สุดออกไปแล้วก็ทะเลถลำถลายไปก็เลยหากฎเกณฑ์ไม่ได้อีกอย่างเขา หากดท้าเกตไม่ได้ผลปุณสู่ก็เลยเละตุ่มเปะอีกอย่างเก่าไม่มีกฎเกณฑ์คําว่าหนักนันคืออะไรไม่มีมถึงจะหนักก็หนักกดอาหารเท่านั้นเองแต่ตัวปล่อยอารมณ์ปล่อยจิตปล่อยใจนั้นเละตุ่มเปะยิ่งกว่าอดอาหารไปเพื่ออะไรมันได้อะไรอยากจะให้ขอยกย่องเราอดอาหารอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าการทางด้านจิตใจของเราเนี่ยแย่มาก ยิ่งกว่าไม่อดอาหารจะอีกสิ่งเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายต้องบวกลบคูณหารต้องเข้มแข็งต้องเอาชนะใจของตนเองให้ได้ในขณะที่อดอาหารต้องพยายามดูใจของตนเองให้ดีที่สุดให้มากที่สุดให้เข้มงวดขวดขันที่สุดไม่จําเป็นไม่ต้องคุยไม่ต้องพูดไม่พูดกับใครเลยในขณะที่อดอาหารดูใจของเองตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่แหละผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้น ในจะในยัคณะที่เข้มแข็งต้องเข้มแข็งเวลาอดนอนก็เหมือนกันเราอดนอนไปยังไงไม่ใช่ตําต่ำเปื่อยๆปลำเปลือกจนใจิตใจไม่ถูกนเนื้อกับตัวหลับหลับตื่นตืนพิจารณาอะไรก็งมาเรื่องไดเราอันนั้นไม่จะเกิดประโยชน์อะไรการอด เวลาอดอาหารก็ต้อตงเน่ต้องดูบังคับในขณะที่เราอดอาหารนี่เป็นยังไงในขณะนี้นั่งรูส้สิตลอดทั้งคืนดูการอดนอนการพออาหารจากนั้นก็เมื่อพิจารณาเป็นใจของเราเป็นสมาธิพอสมควรแล้วพิจารณาสรุปแล้วก็คือสมาธิคือความสงบ วิปัจฉนาคือการไข่ควรไตรตรองเหตุและผลมันเป็นของคู่กันวิปัจฉนาและสมาธิเมื่อจิตใจเป็นสมาธิแล้วก็นํามาพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อพิจารณาท่านปัญญาเหนื่อยมันปุ่งคิดในใจของคิดมากเอาเข้าสมาธิพอเข้าสมาธิพอสมควรแล้วพักพักผ่อนพอสมควรแล้วออกไปทํางาน พิจารณาทางด้านปัญญานี่แหละสรุปแล้วก็คือการ ส, สมัติและวิปัชนานทำต่างกลัมต่างวาระเไม่ใช่ว่าทําในที่เดียวกันเหมือนทางสมาธิแล้วก็จะพิจารณาทางปัญญาในขณะที่นั่งสมาธิไม่ใช่เหมือนกับคนนอนคนนอนจะไปกินอาหารทานอาหารได้อย่างไรในขณะที่นอนพักผ่อนเบนเสียร์จะอยู่ในห้องธรรมดากันนึกคิดได้ แต่คนหลับคนพักผ่อนเราจะไปทานอาหารได้อย่างไงแต่ขณะที่ทํางานทําการทํางานอยู่เราจะเป็นหลับคาวพวงมาไลัยได้อย่างไงในขณะนั้นขณะที่ทํางานก็คือทํางานขณะที่หลับก็คือหลับนี่แหละมันแยกกันยิ่งกว่านั้นอีกสมาธิและวิปัสสนานะมันไม่คุมเครือวเหมืนอนกับคนเราคนเรายังมีการคุมเครืยอย่างงงอย่างง่วง ยังสงกได้แต่เรื่องสมาธิเนะี่ยมันเป็นมันชัดเจนของใครของเราสมารถะคือสมรถะวิปัจสนาคือวิปัจสนาสมารถะคือทำจิตใจให้สงบพักผ่อนนิ่งไม่ปุงออกไปทางนอกนิ่งอยู่กับตัวเองนี่คือสมาธิแต่ส่วนปัญญากับวิจารณาไข้ควรหาหลักเหตุผลร่างกายมันเป็นอะไรบ้างตาหูจมูกเล่นกาย ร่างกายของเราอาการสามสิบสองมีอะไรบ้างแยกส่วนแบ่งส่วนใจทําไมมาหลงร่างกายของตนเองพอหลงร่างกายตนเองแล้วเป็นหลงร่างกายของคนอื่นพอหลงร่างกายอื่นว่าเป็นของเฉดสวยงดงามอย่างมันอย่างนั้นเก็บไม่ใจในเมื่อเราหลงร่างกายของคนอื่น อ, อแล้วก็หลงส่วนอื่นมีมากมายส่วนที่จะหลง มียศถาบรรดาศักย์เงินคําทรัพย์สมบัติที่พักพาอาศัยมันหลงไปหมดเพราะเหตุใดเพราะมันหลงร่างกายของตนเองเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาร่างกายของตนเองก่อนอย่าหลงห้ร่างกายของเรานะมันมีอะไรบ้างอยู่ที่นี่ในเมื่อเราไม่หลงร่างกายของตนเองก็ไม่หลงร่างกายของคนอื่นเราก็ไม่หลงสิ่งที่มาเกี่ยวข้องของร่างกายทั้งหมด เห็นอนันในจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตจากนั้นจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอันนั้นเป็นขั้นตอนที่พวกเราจะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นแต่พวกเราคิดตูให้ดีก็แล้วกันพวกเราเออมาถึงจุดนี้พวกเราคิดตูวซิความสุขที่แท้จริงของมนุษย์นั้นคืออะไร พวกเรานึกย้ออดูนึกดูความสิทธิความสุขที่แท้จริงของมนุษย์มวลมนุษย์ชาตินั้นคืออะไรมันล้วนแล้วจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดถ้าเราพิจารณาดูให้ดีแล้วเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านจะให้ปล่อยวางที่ใจให้รู้แจ้งเห็นจริงพิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายคลาย เห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงในใจจากนั้นใจของเราก็จุดจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารตามแนวแถวของที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่ทมที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะได้ทัก อ, อกตั้งใจแล้วก็ที่ผ่านมาเดือนกว่า ที่ผมเห็นแล้วผมก็ไม่ได้หนักใจกับหมู่เพื่อนในหมู่พวกเพื่อนทุกองค์เพราะว่าถือว่าเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันถ้ามองมองดูแล้วก็มีแต่พระที่มีอายุพรรษามิมตรีิตรอายุมากผมก็มั่นใจว่าพวกท่านทั้งหลายผ่านโลกมานานก็พร้อมที่จะรู้จักอันไหนควรมิควรอย่างไรเพราะในทางโลกเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไง ต้ามาบวชเข้ามาแล้วเราจะเป็นโลกโผโ ม, โมโกน็นะอย่าไปถือว่าโลกเป็นสวรรค์วิมานอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเห็นโทษในเรื่องต่างๆแต่สำหรับผมเองผมเป็นหัวหน้าในเรื่องการบริหารจัดการมันจะต้องดูทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ผมเองจะต้องถือยืนอยู่ในจุดนี้อยืนในจุดที่ว่าประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี่แหละอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเห็นผมพูดตอนเช้าก็ดีเห็นผมแสดงออกก็ดีอ่าที่เห็นผมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆก็ดีอันนั้นยังไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ของพวกท่านพวกเราท่านทั้งหลายมีหน้าที่เผากิเลสภาวนา ผมไม่อยากจะให้เป็นเสียละผมขอร้องเป็นบางอย่างที่มาช่วยด้วจุดนี้พวกเราก็เข้ามาช่วยแต่ผมไม่ขอถ้าผมไม่พูดพวกท่านก็เอาเป็นหน้าที่ของของผมเพราะผมเป็นหัวหน้าผมจะดูความเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรในการบริหารจัดการเรื่องภายนอกหรือภายในวัด ขอให้พวกเราพวกตัองนะเอามาบวชให้ต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติเรื่องปัจัจสี่ผมก็มองดูอยู่อันไหนขาดเหลือขาดตกบกพร่องผมก็มองหรือว่าผมมองไม่เห็นหรือผมมองไม่เห็นกระพวกท่านท่านให้ก็บอกผมได้ผมยินดีที่จะมอง ไม่ให้พวกท่านทั้งหลายขาดตกบกพร่องในเรื่องปัจจัยสี่ความเป็นอยู่แต่จะให้เหลือเฟือฟุ่มเฟือยออกนอกลกูนอกทางส่งเสริมจนถึงกิเลสราคะโทสะโมหะงอกเงยนั้นผมจะไม่ทําสิ่งไหนที่เป็นหลักพระธรรมวินยัยเหมาะสมนีด้วยหลักพระธรรมวินยัยแต่มันขาดเหลือขาดตกนั้นบอกมา อันนี้ผมพร้อมที่จะสนับสนุนให้แก่แก่หมู่พวกเพื่อนเพราะนั้นหมู่พกเพื่อนไม่ต้องหนักใจเรื่องปัจจัยสี่อผมก็ถือผมเองผมก็ไม่ได้ถือว่าปัจจัยสี่ที่ทะลักลางไหลเข้ามานะมันไม่ใช่เป็นของผมผมถือว่าเป็นของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นของพระพุทธศาสนาเมื่อ เ, เมื่อพระพุทธศาสนาเราส่งเสริมพระพุทธศาสนาตรงไหนที่ขาดเหลือขาดตก เราก็ช่วยส่งเสริมสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ไปวัดวาศาสานาตรงไหนที่มีความจําเป็นพระเนนเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรตลอดถึงโยมอุปถัมภ์ประต๋าวัดวาศาสานาที่เกี่ยวข้องกับเรามีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนอจากนั้นก็ชุมชนชุมชนสังคมตลอดถึงวัดวาศาสานาพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่ ผมได้รับปากว่าจะช่วยสงเคราะห์สร้างเกียรขององค์หลวงตาอันนั้นผมแสดงออกถึ่งความขตันญูกับตะเวที่ตาเป็นอามิชบูชาส่วนธรรมบูชานั้นผมก็ไม่ได้ลดละแต่อามิชบูชานั้นควรจะแสดงออกไม่หนักหนาผมพิจารณาการกองไตรตองด้วยเหตุและผลแล้วพิจารณาทบทวนมากแล้วไม่หนักหนา คิดว่าน่าจะทําได้แต่ผมก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเหมือนกันในจุดนั้นแต่จะให้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนไหมเราก็พิจารณาดูอีกว่าไม่เราจะไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วจะได้มาอย่างไรจุดนั้นมันต้องด้วยมานได้มาด้วยหลักเหตุผล ได้มาด้วยบุญได้มาด้วยหลักเหตุผลเหตุผลเป็นมาและเป็นไปมันเป็นไปได้เราจะ พ, พูดไม่ได้ว่าเป็นมาอย่างไงแต่พูดได้ว่าทุกบาททุกสตังค์ที่ได้มานั้นเป็นธรรมระพรองได้ว่าเป็นธรรมได้มาด้วยความบริสุทธิ์แน่นอนสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นั้นจะไม่แตะจะไม่เอาคอมาให้คนกราบคนไหว้อย่างหลวงตามหาบวัว ไปสร้างเจดีหลวงปู่ฟันพอสร้างไปแล้วก่อนเนี่ยขันองค์ขโมนทีท่านบอกไปถามมันผมมีผู้เสน อ, อมาลากลายทั้งสนามมวยด้วยทั้งสนามม้าด้วยทั้งลอตเตอรี่ด้วย เ, เขาจะให้มาไอา้ท่านก็มากราบหลวงตาหลวงตามหาบัวว่าจ ะ, จะเขาจะมีส่วนร่วมอย่างนี้อย่างนี้ฮะ เรื่องการพนันท่านอาจารย์จะรับมาเอามาเป็นค่าใช้จ่ายเป็นงวดงานไหมหลวงตาท่านบอกทหลับตาพิวเละหลับตาพิวเงินการพนันอย่าเอามาให้คนกราบคนว่าพราเงินการพนันนี่แหละอันนี้มันฝังอยู่ในใจของผมอยู่ตลอดเพราะนั้น ที่เราจะทำสิ่งไหนก็ตามบูชาพระคุณหลวงตาต้องเป็นเงินบริสุทธิ์เท่านั้นจะเป็นเงินได้มาโดยไม่บริสุทธิ์เอบาบยาโมกทุกอย่างขายยาบ่งยาบ้ายามมาคันชายยาฝิ่นเฮโรอีนอะไรก็ตามเราจะมารับมับมามเพื่อถวายสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตานั้น แปลว่าไม่ควรอย่างยิ่งไม่ควรเด็ดขาดพูดอย่างนั้นได้เพราะนั้นจะตัุปัจจัยทุกบาททุกสตังที่ผมได้ประกาศออกไปผมมั่นใจว่าเป็นจิตเป็นปัจจัยที่บริสุทธิ์ได้มาด้วยความบริสุทธิ์จากคณะจัตตารยาโฉมผู้มีจิตใจสูงสง่งที่มอบหมายให้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจที่ท่านเหลือใช้ที่ท่านเป็นไปได้ ในชีวิตของท่านพานันขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่ผมรับไปหมูพวกป่วยไม่ต้องหนักใจผมได้คิดดูคิดดูดีแล้วจึงได้พูดออกไปผมยังพูดอีกว่าเนีย่ยพูดให้ใครๆต่อใครฟังว่านะถ้าว่าหลวงพ่อของพวกเราท่านทั้งหลายขาดความราอบคอบโง่พูดง่ายๆรับดับด่ะไปหมดจน ทําให้วัดว า, าศาสนาจนให้พวกเราเดือดร้อนทําให้อืกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาเดือดร้อนพวกเราท่านทั้งหลายจะนับถือว่าจะเป็นนับถือเพราว่ า, วาหลวงพ่อเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำํำพวกเราจะเชื่อถือจติตปัญญาของหลวงพ่อได้อย่างไรถ้าหากว่าอหลวงพ่อไม่คิดให้ดีซะก่อนจนทําให้พวก ลูกชิดลูกหาเถิดร้อนพุ่นวายไปหมดสิ่งเหล่านี้ผมพูด้ได้เพราะฉะนั้นผมขอให้หมู่พวกเพื่อนทุกองที่เป็นลูกชิดลูกหาเล่งอยู่ในวัดของพวกเราให้อยู่ในอยู่สรุปก็คือให้อยู่ในหลักธรรมพไไี่นผมได้มาด้วยมาโดยธรรมได้มาโดยธรรม ทุกบาททุกสตางค์ไม่ใช่ของผมเป็นของพระพุทธศาสนาเขาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่เราอยู่ในวงในขาดเหลือขาดตกอะไรถ้ามีความจําเป็นเราก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวัดวาศาสนาได้แต่ไม่ใช่วัดมาเก็บเก็บไว้อย่างเดียวถ้าเก็บไว้อย่างเดียวพระสงฆ์ตายหมด เงินก้อนนั้นจะมีประโยชน์อะไรปัจจัยอันนั้นจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อพระสงฆ์มีความจําเป็นจะตุกปัจจัยก็จะต้องทะลักออกมามาช่วยพระสงฆ์เอาเขาเออกมาเพื่อบรบรุงพระพุทธศาสนาเพื่อพระสงฆ์ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าเราเอาเงินปัจจุปปัจจัยมาสง่งเสริมพระสงฆ์จนพระสงฆ์ลืมตัวนจนทั้งโลกเขายอมรับไม่ได้ฟุ่งเฟือย เือเฟือไปหมดในทั้งที่ฆราวาสญาติโยงเขาไม่ทําอย่างนี้แต่ตัวเองพวกเราท่านทั้งหลายทําจนฆราวาสเขายอมรับไปได้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่น่าจะถูกต้องเหมือนกันเกินฐานะของเราพวกเราที่เป็นพระสงฆ์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่นานี้ผมนานๆผมจะได้พูดให้หมูพวกเพื่อนได้ฟังได้ศึกษาต่อไปภายภาคหน้าพวกเราท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภางนานจะเป็นแนวความคิดแล้วก็ดำเนินตามแล้วก็จะถูจะถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยผมมั่นใจอย่างนั้นผมมั่นใจอย่างนั้นเพราะว่าผมเทิดทูนบูชาทำวินัยทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนตนเองตัวเราก็ไม่เดือดร้อน ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งมวลไม่เดือดร้อนเป็นไปได้ตามหลักก็ทำไม่ไหตามศีลธรรมตามจริยธรรมที่ดีนะนการพูดและการแม่แนววันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุตถิอตอนนี้ไปนั่งสมาธิจากช่วงระยะหนึ่งนะพวกเราจึงค่อยแยกย้ายกัยกกนกลับนะ